ขั้นตอที่ครรอคะ่ะผ่านไปสําหรับท่านมาร์คหรือพระมาร์ชาควโรวัฒนปะาพงลําลูกกาคลองสิทธิ์ปทุมธานีที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลนะคะท่านก็ได้มอบหนังสือผู้ทวจนะให้กับพวกเราเป็นประจำจริงๆแล้วที่วัฒณาป่าพงเนี่ยนะคะกําลังทําหนังสือผู้ทวจนะชุดใหญ่เล่มใหญ่มีถึง19เล่มกันอยู่เม อ, อถึงสามเล่มขออภัยค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเห็นเสร็จอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็จะมาเล่าให้ท่านฟังในภายหลังก็และกันสาหรับคนที่มีความรู้สึกมีประโยชน์แล้วก็อยากที่จะสร้างเพื่อที่จะให้เกิดการเผยแผ่ผู้วาชนะของภาษาสดาให้กว้างไกลามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้ในประเทศไทยก็อาจจะไม่มีหนังสือที่ รวบรวมเฉพาะผู้ทวจนะไว้ในลักษณะนี้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าฟังรายการนี้เอาชนิดที่แบบฟังเนี่ยนะคะแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเนี่ยท่านได้พบกับเรื่องของผู้ทวจนะเป็นส่วนใหญ่ของรายการแน่นอนรายการสันสนิษฐานาก็จะพาท่านไปพบกับช่วงต่อไปเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวจนะกับพระภัยบุญอภิปุณโงงค่ะกลาบมางดส ก, การกันท่านคะเชิญพานค่ะมาถึงวันนี้ก็เริ่มต้นกันด้วยพุทธเชีนตีก่อนดีไหมคะได้ๆด้ พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการที่ให้มีมีธรรมมีธรรมะเป็นทายาทให้เป็นทายาทโดยธรรมนะไม่ใช่เป็นอมิสทายาทที่อาจาต้องการพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยเพราะว่าเรามาอ่านซ้ําอ่านซ้ําอ่านซ้ําไปคุณโยมติ๋วเราพบว่าอ๋ออมิสทายาทพระพุทธเจ้าให้อมิสอะไรไว้แนตะ่เราก็มองไม่เห็นอะไรมากนอกจากประทัดไม่ยถึพระบรมสารีริกธาตุของพรนะพุทธเจ้านี่ยคือสร้างของตัวเอง นะั่นคือซากของตัวพระองค์เองที่เผาแล้วก็เหลือซากออกมาเท่านี้นะ <c oughs> ก็มีการมาแจกจ่ายกันไปเราได้มาแล้วเราคิดว่าโอ้นี่เป็นเป็นตัวแทนพระเจ้านะนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็กระบวนการที่พระเจ้าให้คิดเนี่ยก็คือว่าทําอย่างไรเสียนะตัวเราเนี่ยถึงจะเป็นธรรมธายาตไม่ใช่อามิสตาญาตนะ <c oughs> อามิสตาญาตนี่ยังรวมถึงพวกบริขารทั้ง8ปดบริขารทั้ง8ปดสมมติพระเนี่ยจะมาดูว่าโอบาตรนี้พระเจ้าให้มา อาหารพระเจ้าก็ให้มาอันนี้ก็ดีแล้วระดับหนึ่งนะที น, นี้ทํายังไงให้ตัวเองเป็นธรรมธายาตในการที่จะเป็นทายาททางธรรมะคือนะตัวเองปฏิบัติธรรมะด้วย <Okay. S 1> แล้วก็ไอ้เรื่องสิ่งของนี่เป็นเรื่องภายนอกละ่ะพะในเรื่องของการบูชาอจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของเป็นอามิดนะอามิดนี่คือแบบของที่ต้องมีเครื่องล่อนะที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายหาอย่างนี้เท่านั้นนะที่ <Okay. S 1> เป็นเกี่ยวข้องกับอามิดเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ในะเรื่องอรูปเคารพอะไรต่างๆยิ่งจะไม่ยิ่งรูปเคารพนี่สมัยวุฒการก็ไม่มีแต่อย่างไรก็าตามาสมัยนี้มีแล้วทำไงนะพระเจ้าก็เตือนไปแล้วถึงเรื่องที่ให้เป็นธรรมธายาธนะเราก็ปฏิบัติธรรมเป็นส่วนใหญ่ถึงจะดีนะเราอยู่บ้านอย่างคุณโยมติว๋วถ้าเร า, เาไม่ต้องถึงว่าคุณต้องมาวัดหลับตานั่งสมาธิอะไรนะแค่ว่าทําดีซึ่งกันและกันในบ้านชีวะเราก็เราก็ชื่อว่ า, ามีธรรมะแล้วนะ อ ม, มีสติอยู่ในลมไม่ใช่เรื่อยๆนะตื่นเช้ามาก็พูดจาดีๆใส่กันหมายถึงว่าพูดจาดีๆด้วยกันแล้วก็มีอะไรก็เ อ, อ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนี้ชื่อว่าคุณเป็นธรรมทานญาติละไม่ได้ยากอะไเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจว่าทายาทที่แพ้หรือเป่คะหรือทายาทที่ดีที่สุดอมันคือธรรมทานญาติใช่มีอันเดียวที่ให้เป็นอ๋อเหรอคะอใช่อืม ค่ะเพราะฉะนนั้แต่อย่างไรก็ตามนะคะคนเขาก็ยังกราบไหว้ในสิ่งที่เดี๋ยว ก, การกราบไหว้นี่เป็นสิ่งที่ดีนะค่ะการกราบไหว้เป็นสิ่งที่ดีการกรไหว้ในเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ว่าง่ายอันนี้เป็นสิ่ ง, งที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นก็ควรทําอยู่การกราบไหว้แต่ให้เข้าใจให้ถูกแล้วกันว่าทายาทที่ถูกต้องของพระพุทธองค์มีอย่างเดียวคือธรรมะของพระศาสดาดังนั้นท่านกําลังเข้าถึง ธรรมะของพระศาสดาถ้าน้อมเอาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไปปฏิบัติเท่ากับว่าได้เป็นเจ้าของทายาทของพุทธเจ้าแล้วอย่างนั้ น, นว่าเป็นผู้รับสืบทอดมรดกผู้สืบทอดมรดกของพระทธองค์ท่านคังคะนในไหนเราก็ว่ากันด้วยเรื่องเกี่ยวกับองค์กรกันมาสองวันแล้ววันนี้จะขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะคือปกติ องค์กรที่มาตรฐานหน่อยเนี่ยเขาจะสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเขาเพื่อที่จะทำให้องค์กรเนี่ยหลอมรวมเป็นหนึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีพลังทีนี้มันก็มีคาถามว่าความต่อเนื่องอดทนของการที่จะปลูกฝังวัฒนธรรมนี้ให้เกิดในองค์กรเนี่ยนะค ะ, ม, ะมีส่วนไหน ที่เกี่ยวข้องกับพุทธวจนะบ้างหรือไม่หรือว่าควรจะเสริมอะไรเข้าไปเอามามองอย่นี้เกี่ยวเรื่องขององค์กรที่คุณชมติวพูดถึงการต่อเนื่องอดทนนะค่ะการต่อเนื่องอดความเอาความต่อเนื่องกันความต่อเนื่องที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่ามันถูกอะไรมาดึงไปคือมันมันถูกเฉยใช้ออกไปแต่เรื่องที่เฉยใช้ออกไปเนี่ยคุณชมเตียวไม่มีอะไรนอกไปจากกามและกามมันจะดึงคุณไปแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย เราจะตกเป็นธาตุของสิ่งนี้ก็จะดึงเราไปได้เหมะะือนถ้าเราละกามเสียได้ละกามเสียได้ละความตรึกในทางกามเรื<ะ>่องพวกนี้ก็จะหมดไปได้คะ่ะคือคือถ้าสมมุติมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะเปลี่ยนปเป็นเป็นทางดีนะแต่ถ้าเรายังมีกามอยู่มันก็จะมันถูกจะเฉยเฉยไปได้ไม่ต่อเนื่อง<ะ>แต่ถ้าเรามีความละกามคุณละความอยากในกามอันนี้จะเป็น การที่ทำให้ต่อเนื่องไปได้เรื่องของความอดทนนี้ก็ต้องฝึกเอาเลยนะคือคุณต้องเจอกับปัญหาคุณต้องอดทน ไ, นไดนะ้อดทนได้คุณต้องมีสตนะิมีสติคุณจะอดทนได้เหมือนถ้าเราฝึกสติด้วยนะคือมีสติมันก็จะช่วยในการที่เราละเรื่องการตริตึกในทางกางอยู่แล้วนะก็จะอดทนได้ก็มาด้วยกันนะความต่อเนื่องความอดทนมีความเพียรอยู่ด้วยไหมคะ ก็ใช่เพราะว่าในยะของความเพียรเนี่ยเป็นการที่เราเอาอากุศลธรรมออกจากจิตในที่นี้คือเรื่องของกามเนะอาอกุศลธรรมเข้าจิตในที่นี้คือเรื่องของสติค่ะความต่อเนื่องอันนี้ถ้าเรามาพูดในมุมของธรรมะของพระศาสดาแล้วในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะให้เจริญในธรรมเพื่อที่จะได้ห่างจากการที่จะต้องตกอยู่ใน่วงของกองทุกข มากที่สุด น, นะคะความต่อเนื่องสําคัญมากหรือไม่อย่างไรคะผมว่ามันพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เนะี่ยคุณยมเติยวคือเราจะไปถึงนิพพานเนี่ยเราต้องเดินตามทางค่ะถามว่าอย่างงี้ถ้าผมว่าเราเดินตามทางแล้วก็เออเธอไปแวะนู่นหน่อยแวะอนี่หน่อยมันก็ไม่ถึงสักทีอ่ะมันก็เนิ่นช้าเป็นเหตุเพื่อความเนิ่นช้าธรรมะวินัยนี้ธรรมะพพุทธเจ้าเนี่ยเปิดไว้สําหรับผู้ที่ไม่ต้องการความเนิ่นช้านะค่ะอืมเพราะเราอย่าเฉืชัย แล้วก็นะทําตรงๆเป็นคนตรงอแล้วก็มีสัญชาติคนตรงเราก็จะทําไปได้อย่างนี้นะในเรื่องขององค์กรเนี่ยคุณยมติว่าจมามีความคิดเล่นๆ เ, เฉยๆในยกว่าถ้าองค์กรโดยธรรมเนี่ย ค, คือหมายว่าองค์กรวิธีทมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือหมายว่าถ้าองค์กรของเราเราจะใช้ธรรมะในการที่จะบริหารจัดการองค์กรของเราทั้งหมดเลยตั้งแต่ประธานบริษัท บอร์ด uh, uh, uh, uh, ผู้จัด ก, การ uh, CEO กรรมการทุกคนจนกระทั่งถึงนักการพานโรงคนขับรถมีธรรมะหมดโอ้โ oh ห oh องค์กรมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าการบรหิหารจัดการนี่จะเป็นยังไงต้องใช้หมวดทำหมดไหนบ้างอย่างนี้นะ <c oughs> อย่าง uh, มีลูกน้องที่มีความพยศเราจะเอาความพยศออกยังไงจะสอนลูกน้องของเรายังไงให้มีความเป็นอาชานัย นะเราก็เราจะตั้งเป้าหมายของบริษัทยังไงให้สอดคล้องไปในแนวทางธรรมะนะธรรมะอะไรที่จะใช้ได้อย่างเรื่องทิศต้องหก็ใช้ได้เออเราจะเลือกลูกน้อยยังไง อ, อถ้าเขาจะเปลี่ยนไงเขาจะทํายังไงจะไล่ออกทํายังไงวิธีการเล่อนตําแหน่งทํายังไงการแบ่งเวลาทํางานยังไงเราต้องมาคิดเรื่องนี้กันทั้งหมดเลยค่ะพูดถึงเรื่องของการบริหารองค์กรโดยใช้ธรรมะเนี่ยนะคะอืมอาจจะมีบางที่ที่เขาใช้เป็นส่วนส่วนนะคะใช่ เช่นเรื่องไหนล่ะมันจะมีลักษณะให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันเข้าใจว่าถ้าหาเราไปเอาวิธีการบริหารของแต่ละองค์กรที่ประสบความสําเร็จประสบความเจริญก้าวหน้าผู้ที่เป็นองค์คาพยพบขององค์กรมีความสุขในการที่จะทุ่มเทการทํางานให้กับที่ทํางานและเอามาสังเคราะห์ อธิบายว่าอ๋อเพราะเขาทาสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวท่นคิดว่าเราก็น่าจะเห็นธรรมเดอะเอนกันนะะใช่คือมันก็จะเป็นส่วนๆแยกแๆกันไปด <c oughs> ีว่าเราตรงนี้เราจะเคยคิดว่าจะามารวมกันอาจจะเป็นเอกสา ร, ะรอะไรตา่างๆเพื่อให้องค์กรที่ต้องการเป็นวิถีธรรมคือ <c oughs> ในนี้ก็มีโรงเรียนวิถีพูทธมา <c oughs> เราก็ต้องการจะมีองค์กรวิถีธรรมอย่างนี้เพื่อที่จะให้องค์กรนี้บริหารจัด ก, การไม่ได้อย่างอย่างเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าเป็นบุญค่าถ้าอย่างนั้นดิฉันถามต่อนะคะออันนี้อาจจะพูดถึงองค์กรทั่วๆไปแต่เพื่อนเนี่กลังมององค์กรใหญ่ก็คือองค์กรของประเทศไทยที่ดูเหมือนกับว่าเราก็มองว่าทําไมทําไมมันมีการปกครองแบบประชาธิไปไตยเป็นเวลามาเกือบร้อยปีละอืวแต่ก็ยังเดินเข้าไปข้างหน้าแล้วก็หยุกหยุกข้างหลังเดี๋ยวจะถอยมาข้างหลังนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปทีละน้อย โซเซโซเซอะไรของมันอยู่อย่างนี้นะคะ hmm. เอ่อหนังสือเล่มเดียวกันองค์กรตามธรรมของท่านองค์กรวิธีธรรมเข้าใจว่าจะเป็นองค์กรในระดับประเทศได้ด้วยเลยนะคะเล่มเดียวกันหรือว่าต้องเคสต่างหากอ๋อมันก็อยู่ที่สเกลของการนนะําไปใช้งานเนี่ยสมมุติองค์กรระดับเล็กก็อาจจะ เ, เรื่องธรรมะตรงนี้ตรงงานตรงนี้ต้องทําตรงนี้อย่างเงี้ยนะองค์กร ใ, ใหญ่ก็คงจะต้องทําอีกแบบหนึง่ง คือมือนกับมาบทเดียวกันอาจจะต้องทําอย่างหนึ่งดังนั้นด<ต>ิฉันจะเสนอท่านว่าเขียนสองเล่มพร้อมกันเลยค่ะก็ดูเหมือนกับว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมาใช้ใชคือดิฉันอยากจะให้เป็นเขาเรียกว่าฉวยโอกาสในยามที่มันยังไม่นิ่งแล้วก็ยังแสวงหาหนทางไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสนอในวิถีที่ที่ใครเชื่อก็เสนออย่างนั้นเหมือนกับมุมนี้เนี่ยเชื่อคําสอนของพระศ า, าสดาใช่ไหมคะใช่ เราก็เสนอขึ้นไปว่าเออเนี่ยถ้าเป็นวิธีคิดแบบพระพุทธองค์เนี่ยการที่จะปกครองประเทศโดยระบอบประชาธิปไตยธรรมะมันจะต้องอยู่ตรงอย่นธรรมะแบบใดมันมันจะค่อนข้างแหวกแนวมากนะคุณยมเทวแบบเองใช้ก็ไดเอออย่างเช่นพระเจ้าเคยแนะนำในะ เ, เคยสวยชาติเป็นโปรหิตอย่างไงบอกว่าโจรใช่ไหม ค, คุณจับมาเนี่ยคุณอย่าฆ่าเขาคุณอย่าลงโทษเขาให้ปล่อยไว้ แต่ว่าเขจะทําได้ไหมล่ะอ๋อนี่คือความแหวกแนวถ้าตามคำของพระเจ้าให้ปล่อยใช่ไหมปล่อยไปเอาเงินให้ด้วยโอ้นี่ในอันนี้เราพูดแค่เราพูดแค่วิธีการทํางานนะเขาเขาจะทำได้ไมัด้ยคนทังบ้านคนทังบ้านเราเป็นไปได้อย่างไรเอ่อก็คือดังนั้นพระเจ้าสวยชาติเป็นปุโรหิตในสนองงานพระราชอาวุงหนึ่งชื่อพระเจ้าวิชิตราชนี่แหละแล้วพระเจ้าวิชิตราชก็จะทําการบูชายัน โปรหิตคนนี้ซึ่งเป็นโพธิษัตวเนี่ยก็เลยแนะนําบอกว่าแหมแต่ว่าบ้านเมืองของพระองค์นี้ยังมีเสี้ยนน้ําหลักต่ออยู่นะยังมีขโมยขจรอะไรเล็กน้อยๆๆๆๆอยู่นีเ่เราจะกําจัดเสี้ยนน้าหลักต่อยังไงนะพระเจ้าวิชิตรากรถามเออคือถ้าเราเอามาเข้ามาฆ่าเอามาขัางแล้วต่อให้ฆ่าหมดก็ยังมีลูกหลานเขาก็าคงจะต้องแค่รเราอยู่ก็จะไม่เป็นการกํำราบโดยราบคาบโดยธรรมเอางี้ล้กันนะคนไหนทําดีเนี่ยเรายิ่งให้เงินมาก คือสมมติถ้าคุณเป็นเกษตรกรใช่ไหมคุณทำผลดียิ่งให้พืชพันธุ์มากยิ่งให้ที่มากคุณเป็นพ่อค้าพ่อค้าใช่ไหมคุณค้าขายเก่งใช่ไหมเอาเงินให้มากคุณเป็นข้าราชการใช่ไหมเอายอะตำแหน่งให้เอาเงินให้<พ>อเอาเบีย้ยเลี้ยงให้คนที่เขาทำดีนี่มากๆเลยนะคุณหยมติ๋ยว <พอ S 1> เขาได้เงินไปได้ของไปเขายิ่งทำมากเท่าเป็นทวีคูณ <พอ S 1> เงินในกลังหลวงจะไม่มีลด ถ้าพอคนอื่นเขาเห็นว่าโอ้คนดีไดรับกันยกย่องอย่างนี้นะมันจะไม่มีใครมายุ่งวุ่นไม่กับการที่จะไปทําชั่วอ่าแล้วประเทศชาติเนี่ยก็จะกลายเป็นลักษณะว่าโอ้ยคุณก็นอนอยู่ในบ้านได้โดยไม่ต้องล็อประตูบ้านอันนี้เป็นวิธีการของบรุรหิตคนนี้นะอ่าเพาะฉะนั้คือถ้าเราจะทําแบบพุทเจ้าบอกก็ทําอย่างเงี้ยคุณนําได้ไหมล่ะใช้วิธีเสริมแรงใช่เสริมวความด<น>ีค<ร>่ะใช้วิธีในลักษณะนี้เนี่ยดิฉัน พวกน่าสนใจนะครับเพียงแต่ว่าคยต้องมาคุยเป็นต่อในวันนี้ค่ะเป็นขั้นเป็นตอนไป น, น, นะครับมาดูเหมือนกับว่าเวลาจะให้เราแค่เปิดประเด็นเท่านั้นเองนะครับท่บานผู้ฟังทั้งหลายก็ลองเก็บไปคิดเป็นการบ้านแต่ว่าถ้าเชื่อว่าพระพุทธองค์ของเราสุดยอดแล้วเป็นพระศ า, าสดาผู้ยิ่งใหญ่ท่านต้องรู้สิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วท่านจะเก็เอาไว้ น, น, นะคะเรา คิดว่าทำตามไหมทำตามได้หรือไม่ทำตามได้อย่างไรติดตามก็ฟังกนต่อไปสำหรับันนี้ก็ต้องการในรัฒการเท่าอาจารยูนะคะเปิดประเด็นไว้ที่ชวนติดตามมากเลยค่ะการบในวักา ร, การค่ะเลีฟานค่ะทุวทกวันพิบลครับและนี่ก็คือรายการสัมมนาสมทนาเนินรายการโดยสัมสนสมนานาพงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของสอททวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟรค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ลตีหถึงตีหครึ่งเราก็จะมาพบ ก, กันโดยมีพระภิกษุสองรูปมีพระมาชาโคลโรอีกรูปหนึ่งนีนะคะในรายการนี้เรามีหนังสือุู้ทวจนะที่จะให้ท่านได้ศึกษาวิธีตรัสของพระพุทธศาสตร์พระพุทธเจ้าแล้วก็สาระของสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้สำคัญมากทุกบทยันชนะของท่านไม่ควรที่จะคลาดเคลื่อนเลยก็จึงควรอ่านทบทวนมา 022690006นะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะขอหนังสือได้พระอจ้างครืองกรีโสดทิพโลท่านเจ้าวาดวนาป่าพง์ซึ่งพระม า, า, าร์ชควโรจำวัดอยู่นเป็นผู้ที่มอบให้มาค่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธสวัสดีค่ะ